ทิศตะวันออกของพระอาทิตย์ทิศตะวันตกของพระจันทร์กันละครั้งหนึ่งยังมีชาวนายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกๆของเขาในกระท่อมเล็กๆห่างไกลจากเมืองลูกสาวคนเล็กของเขามีชื่อว่าราราเป็นหญิงสาวที่งดงามและฉลาดเธอจะพาลาของชาวนาไปที่ทุ่งหญ้าเพื่อกินหญ้าและร้องเพลงทั้งวันกับพวกนกและดอกไม้เธอจะกลับมาเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น เย็นวันหนึ่งเมื่อเธอกลับมาและกำลังช่วยแม่ปรุงสุกมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพ่อไปเองชาวน้าเปิดประตูและพบหมียืนอยู่ต่อหน้าเขาได้โปรดอย่ากลัวไปเลยท่านข้าไม่ทำร้ายท่านหรอกอ้ใครเหระที่รักไม่ไม่มีอะไรจะจะจะเ จ, จ้าต้องการอะไร ข้าอาศัยอยู่ในปราศาสที่อยู่ภูเขาสามกข้าอยู่คนเดียวเท่านั้นข้าได้ยินเสียงร้องเพลงของลูกสาวท่านในป่าเสียงของนางราวกับนางฟ้าถ้านางมาร้องเพลงให้ข้าทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีข้าจะตอบแทนให้นางอย่างงามท่านจะไม่รู้จักคำว่ายากจนอีกต่อไปและนางจะได้ทุกอย่างที่นางต้องการข้าจะปล่อยลูกสาวไปกับหมีได้ยังไงอย่า ง, งาที่ท่านเห็นข้าไม่ใช่หมีธรรมดา ข้าสัญญาว่านางจะอยู่อย่างดีและมีความสุขเอ่อข้าต้องไปถามนางก่อนรอะนี่เดียวนะดังนั้นชาวนาจึงกลับเข้าไปและคุยกับครอบครัวของเขาลูกสาวเราจะไม่ไปกับหมีแต่ท่านแม่เขาบอกว่าจะจ่ายให้อย่างงามพวกเราต้องการเงินเราต้องการล้ อ, อกเกวียนใหม่หลังคาก็ต้องซ่อมด้วยรองเท้าและเสื้อผ้าใหม่สาหรับทุกคนเลยค่ะ แต่ลูกจะไปไกลาจากพวกเรานะรามันแค่ปีเดียวเองค่ะท่านแม่นอกจากนี้เจ้าจําคําทํานายไม่ได้เหรอมันต้องไม่เป็นแบบนี้เจ้าไม่มีวันรู้หรอกท่านแม่ท่านพ่อคําทํานายอะไรเหรอมีบางสิ่งที่นักทํานายทํานายไว้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกอายุครบ18และลูกก็อายุครบ18เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วมันคืออะไรคะ เมื่อลูกอายุครบ18ปลูกจะได้ออกเดินทางเพื่อไปเป็นราชิ น, นีอะไรนะไม่จะยังไงก็ช่างนะข้าไม่ยอมให้ลูกของข้าไปกับหมีแน่นอนนี่ถ้าหมีตัวนั้นเป็นอันตรายมันคงทำร้ายเราไปแล้วใช่แล้วท่านพ่อข้าคิดว่าข้าต้องไปดังนั้นราจึงตัดสินใจไปกับหมีหมีขอให้เธอนั่งบนหลังของเขาและจับนขนเขาไว เขาเล่นข้ามภูเขาทั้งสามและไปถึงวังอันสง่างามของเขาที่นี่จะเป็นบ้านของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีท่านหญิงและถ้าท่านต้องการสิ่งใดเพียงแค่สันรักคางสีเงินอันนี้แล้วความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงแต่ได้โปรดอย่าไปที่สวนหลังพระอาทิตย์ตกนินขอบคุณมากท่านมีเจ้าคงหิวแล้วอยากทานสตูร้อนๆไหมข้าชอบมากเลยล่ะ รากินอย่างอิ่มเอมและอยากจะพักผ่อนเพราะเธอเหนื่อยมากราสันกระดิ่งสีเงินและทันใดนั้นได้ปรากฏเตียงที่นุ่มที่สุดพร้อมกับผ้าห่มและหมอนหนุนสีขาวและสีทองทุกๆวันราจะร้องเพลงให้มีฟังในตอนเช้าพวกเขาจะนั่งคุยกันตลอดทั้งวันแต่มีก็จะหายไปในตอนพระอาทิตย์ตกดินโดยที่ไม่บอกเธอว่าเขาหายไปไหน คืนหนึง่งราน้อยไม่หลับและได้ออกไปเดินเล่นในพระราชวังเธอได้ยินเสียงดนตรีที่ไพเราะอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ไหนสักแห่งในสวนข้างๆกับน้ําพุมีใครบางคนกําลังเล่นไวโอลินแต่เธอเห็นเขาไม่ชัดเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธออยากออกไปดูแต่เธอจําได้ว่าหมีเคยขอให้เธอไม่ออกไปที่สวนหลังพระอาทิตย์ตกดินดังนั้นเธอจึงยืนอยู่ตรงนั้นและลุ่มหลงไปกับบทเพลง เป็นเวลาหลายเดือนที่เป็นเช่นนั้นราจะร้องเพลงให้หมีในตอนเช้าแต่พอกลางคืนเธอก็จะฟังเสียงดนตรีที่ถูกเล่นในสวนเธอมีความสุขที่ได้อยู่กับหมีแต่ราก็คิดถึงครอบครัวของเธออย่างมากเธอรู้สึกเศร้ามากเช้าวันหนึ่งเจ้าร้องเพลงได้ไพเราะมากแต่เสียงเจ้าดูเศร้าๆไปนะมีอะไรอย่างนั้นมีอะไรควรใจเจ้างั้นเหรอาคิดถึงครอบครัวของข้ามาก หลายเดือนแล้วที่ข้าไม่ได้พบพวกเขาข้าพาเจ้าไปหาพวกเขาได้ถ้าเจ้าต้องการได้เหรอแน่นอนแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่บอกสิ่งที่เจ้าเห็นที่นี่ข้าสัญญาดังนั้นหมีจึงพารากลับมายังบ้านของพ่อเธอที่ไม่ได้เห็นมานานมันไม่ใช่กระท่อมเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นคาลือหัตหลังใหญ่และไม่มีคราบของความจนอยู่มิแต่ความร่ํารวยพวกเขาดีใจมากเมื่อได้พบรา ท่านแม่ท่านพ่อราลูกรักแม่ไม่เชิญลูกนานมากเลยเป็นยังไงบ้างโลกและเป็นยังไงบ้างคุณหมีข้าสบายดีท่านพรุ่งนี้ข้าจะกลับมารับเธอเราคิดถึงลูกมากที่นั่นเป็นยังไงบ้างราปล่อยให้น้องกินเถอะรามาในครัวกับแม่หน่อยนะช่วยแม่เตรียมของหวานที ไม่ได้อย่าให้น้องกินก่อนลรือคะจัดการอาหารตัวเองก่อนเถอะมากับแม่นะราราบอกแม่มาสิเล่าทุกอย่างที่นั่นให้แม่ฟังมีอะไรผิดปกติที่นั่นหรือไม่ลูกแม่คะทุกอย่างโอเคแม่ก็ว่าอย่างนั้นลูกดูดีนะแต่ไม่มีอะไรผิดปกติกับคฤหาสน์ของหมีเลยเหรอ รยอยากบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงดนตรีลึกลับที่มีคนเล่นในทุกๆคืนอย่างมากจนเธอลืมไปว่ามีห้ามใหเธอพูดเกี่ยวกับที่นั่นแต่ว่าเธอเผลอพูดออกไปให้แม่เธอฟังทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเมื่อลูกกลับไปที่วังคงหมีแล้วก็เมื่อลูกได้ยินเสียงดนตรีในตอกนกลางคืนไปแอบอยู่หลังน้ําพุและอยู่ที่นั่นจนกว่าจะรุ่งสางเมื่อเขามาลางหน้าที่น้ําพุ ลูกก็จะเห็นเงาของเขาแล้วลูกก็จะรู้ว่าเขาเป็นใครแต่แม่คะหมีห้าไม่ให้ลูกไปที่สวนนั่นนะนี่เขาจ้างลูกให้ไปร้องเพลงไม่ได้ให้ไปทำตามคำสั่งตอนนี้ทำตามที่แม่พูดนะดังนั้นในคืนต่อมาเมื่อรากลับมาที่วังของหมีอีกครั้งถึงแม้ถ้าจะเหนื่อยแค่ไหนเ้าก็ยังเฝ้ารออยู่เมื่อเพลงเริ่มขึ้น เธอเข้าไปแอบอยู่ที่น้ำพุในสวนเมื่อถึงรุ่งสางเธอมองไปที่น้าเมื่อเขากำลังจะเข้ามาลางหน้าและในน้ำเธอเห็นหนุ่มที่รูปงามที่สุดลอเหลาเกินกว่าที่เธอเคยพบมาก่อนคุณพระช่วยเจ้าช่างรูปงามอ๋อเจ้าเจ้าขาดขืนสิ่งี่ข่าขอเจ้า อคขาขอโทษแต่ข้าอยากรู้นี่นาะหากเจ้ารออีกหนึ่งเดือนเจ้าจะปลดปล่อยข้าจากคำสาบได้ตอนนี้มันจะไม่มีวันหายไปอ๋อข้าขอโทษจริงๆต้องมีอะไรที่ข้าทำได้สิข้ากลายเป็นแบบนี้เพราะคำสาปของแม่มดอรล่านางต้องการให้ข้าแต่งงานกับลูกสาวนางเพราะนางคิดว่าลูกสาวของนางต้องได้แต่งงานกับผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก ข้าปฏิเสธนางไปนางสาบให้ข้าเป็นแบบนี้และให้พบรักภายในหนึ่งปีแล้วข้าพบเจ้าละแต่เจ้าทําลายทุกอย่างตอนนี้ข่าต้องกลับไปที่วังของนางข้าชอบท่านนะถึงแม้ท่านจะเป็นหมีไม่มีทางที่ข้าจะกําจัดคํำสาปออกไปจากท่านได้เลยเหรอมีอยู่ทางเดียวแต่มันคงเป็นไปไม่ได้บอกข้ามาและข้าพร้อมจะทํามันอโลราอาศัยอยู่ในปราสาทที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์และทิศตะวันตกของดวงจันทร์ เจ้าต้องไปถึงที่นั่นภายในเจวันเจคืนนั่นเป็นหนทางเดียวเดี๋ยวก่อนที่นั่นอยู่ที่ไหนกันล่ะดาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ดังนั้นเธอจึงออกเดินทางเป็นเวลาหวันหคืนในป่าลึกเธอถามสัตว์และนกทุกตัวที่เธอพบว่าพวกเขารู้ที่ตั้งปราสาทของแม่มดอโลราที่อยู่ที่ตะวันออกของพระอาทิตย์และที่ตะวันตกของพระจันทร์ไหมว่าอยู่ที่ไหนแต่ไม่มีใครรู้ในวันที่ห เธอได้พบกับแม่มดเก่าแกา่อืมหาปราสาทของแม่มดอโลราอยู่หรือหรอใช่แล้วท่านรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนพวกเขาบอกว่ามันอยู่ที่ตะวันออกของพระอาทิตย์และทิตะวันตกของพระจันทร์ข้าไม่รู้มันคือที่ใดแต่อาจมีบางคนรู้เขาว่าจะควรไปที่บ้านของลมเหนือถ้าจะมีบางคนรู้ก็คงเป็นเขา ถ้าเขาจะมีใครพ่าเจ้าไปที่นั่นก็คงเป็นเขาขับคุณมากแล้วข้าจะไปที่ม้ากของล่มเหนือได้อย่างไรกันหมาของข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเมื่อไปถึงกระสิบที่หูให้มันกลับบ้านและมันจะกลับมาห่ข้อเอานี่ไปด้วยนะเผื่อเจ้าอาจจะได้ใช้มันขอบคุณท่านมากหญิงชราผีวฝ่าแล้วมมาก็ปรากฏตัวขึ้น ราควบม้าไปไกลแสนไกลจนกระทั่งมาถึงบ้านของลมเหนือเธอมีเวลาทั้งหมด7วันเจคืนที่จะต้องไปยังปราสาทของอโลราที่อยู่ทิศตะวันออกของพระอาทิตย์และทิศตะวันตกของพระจันทร์และนี้ก็เป็นคืนที่หแล้วเธอบอกทุกอย่างให้ลมเหนือฟังปราสาทที่อยู่ในทิศตะวันออกของพระอาทิตย์และทิศตะวันตกของพระจันทร์ข้าเคยไปที่นั่นครั้งหนึ่งและมัน อยู่ไกกลมาๆได้โปรด่านลมเหนือเขาต้องการให้ไปถึงที่นั่นก่อนคืนพรุ่งนี้ข้าจะใช้พลังทั้งหมดของข้าเพื่อไปที่นั่นข้าต้องเติมพลังก่อนคืนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเราจะต้องเดินทางของเช้ามืดพรุ่งนี้พักที่นี่ก่อนเถอะเดังนั้นเราจงพักในบ้านของลมเหนือ และเช้าวันต่อมาในตอนเช้ามืดทั้งคู่ออกเดินทางไปยังปราสาทที่อยู่ที่ตะวันออกของพระอาทิตย์และทิตะวันตกของพระจันทร์พวกเขาบินตลอดทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมาถึงปราสาทของอะโลราเอาละ่ะที่นี่แหละข้าบินต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเจ้าต้องไปคนเดียวแล้วต่อจากนี้ขอบคุณมากท่านลมเหนือขอบคุณมากมาก ไปเถอะเจ้าเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนจะถึงรุ่งเช้าของวันที่แปดราวิ่งเข้าไปในพระราชวังอโลรามองเห็นเธอเข้ามาและได้นําเจ้าชายไปขังไว้ในคุกเจ็ดชั้นเพื่อให้ราเข้าไปหาเขาไม่ได้โอ้เจ้ามาถึงจนได้แต่เจ้าแค่มาถึงปราสาทที่อยู่ในทิศตะวันออกของพระอาทิตย์และทิศตะวันตกของพระจันทร์ไม่ใช่ถึงเจ้าชายเขาอยู่ที่ไหนในคุกเจ็ดชั้น เจ้าสามารถไปหากเขาได้เราจะมาดูกันว่าคํำสาบจะเป็นยังไงพาข้าไปที่คุกนั่นและห้ามไม่ให้ใครอยู่งั้นก็ดีดังนั้นอโลราจึงให้ทหารพาเธอมายังคุกทั้งเจ็และปล่อยเธอไว้ที่นั่นในคุกเจ็ชั้นมีเจ้าชายอยู่ในนั้นเมื่อเธอเห็นว่าอยู่คนเดียวราจึงนํากุญแจที่หญิงชารามอบให้เธอและเริ่มเปิดประตูคุกทั้งเจ็ทีละบานทีละบาฉันเข้าไปหาเจ้าชาย เจ้าเจ้าอยู่นี่แล้วใช่แล้วข้าท่านพบตอนนี้คำสาปของท่านสลายไปแล้วไม่อย่างหรอกลอร่อราต้องมีคนอื่นอีกที่แขนเสื้อของเธอโอ้โ อ, โอ้เจ้ามาหาเขาจนได้นะดีมากพยายามได้ดีมากงั้นตอนนี้เขาจะถูกปลดปล่อยจากคำสาปแล้วใช่ไหมเจ้าอยู่ประสาทของข้า ในคุกของข้าและเจ้าหวังว่าข้าจะปล่อยเจ้าให้ไปอิสระอย่างนั้นเหรอเขาต้องแต่งงานกับลูกสาวของข้าแต่ว่าเงื่อนไขของคำสาบตามผลของคำสาบหากคนรักของข้ามาถึงข้าก่อน7วัน7คืนข้าจะเลือกได้ว่าแต่งงานกับใคร โอ๋ oh, ละ่ะตามคำสาบแล้วถ้าคนที่เจ้ารักมาถึงเจ้าก่อนทั้ง7วัน7คืน mm hmm. เจ้าจะสามารถสร้างเงื่อนไขที่เจ้าสาวของเจ้าท่องทำตามให้ได้และไม่มีเงื่อนไขใดที่ลูกสาวของข้าทำไม่ได้หรอกนะข้าไม่ได้รักลูกสาวของท่านนางไม่มีวันมีความสุขกับข้าอโรล่าความรักเป็นแค่เรื่องไร้สาระบอกเงื่อนไขของเจ้ามาถ้างั้นให้ความรักเป็นเงื่อนไขเมื่อสองคนรักกัน หัวใจก็ต้องเต้นไปตามจังหวะเดียวกันเหมือนหนึ่งเดียวและทางที่ดีที่สุดที่จะสามารถพิสูจน์ได้ต้องใช้บทเพลงลูกสาวของข้าร้องเพลงได้อย่างงดงามข้าตอบรับเงื่อนไขดังนั้นเธอจึงมั่วโอลินให้แด่เจ้าชายลูกสาวของอโลล่าพยายามร้องเพลงให้เข้ากับจังหวะกับเสียงของไวโอลินของเจ้าชายแต่ก็ทําไม่ได้ลาลา และเจ้าชายและขาตลอดไปพอเถอะพอได้แล้วเสียงอนาจเกินไปแล้วตอนนี้ถึงคราวของราลาลาลาลา พ, <ว>พวกเรามุ่งมันมงม่นจะอยู่ยด้วยกันเจ้าชายและดนตรีและราก็ร้องเพลงไปด้วยกัน พวกเขาสร้างบทเพลงที่ไพเราะน่าลุ่มหลงแม้กระทั่งอโลรายังต้องหลงไหลข้าไม่เข้าใจลูกสาวของข้าร้องเพลงได้ไพเราะขนาดนี้แต่ทำไมนางร้องเพลงไม่เข้ากับจังหวะเจ้าชายได้นะเป็นเพราะพวกเราไม่ได้รักกันท่านแม่ทำให้จังหวะหัวใจของเราไม่ตรงกันในขณะที่ดาและเจ้าชายทำได้ให้พวกเขาได้แต่งงานเธอท่านแม่คลายคาสาบให้เขาด้วย ดังนั้นอโลราจึงคลายคำสาบของเธอแก่เจ้าชายเธอและลูกสาวหายไปตลอดกาลมีเพียงพระเจ้าที่รู้ว่าอยู่ที่ใดราและเจ้าชายออกมาจากพระราชวางังและพวกเขาก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขนิดนิรัน